หนึ่งอคันตุกะวัดตะกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติของพิกษุผู้จรมาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบเบนกะข้าบดีเขครุงสาวัตถีครั้งนั้นผู้พิสุอคันตุกะสวมรองเท้าเข้าสู่อารามบ้างกั้นร่มเข้าสู่อารามบ้างคลุมศีรษะเข้าสู่อารามบ้าง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 ภิกษุทั้งหลายรีบเข้าไปถามภิกษุนั้นดังนี้ว่าท่านท่านร้องทำไมภิกษุนั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าเจาไหนภิกษุอคันตุกะทั้งหลายจึงสวมรองเท้าเข้าสู่อารามบ้างกั้นร่มเข้าสู่อารามบ้างคลุมศีษะเข้าสู่อารามบ้างผ้าจีวรบนศีษะเข้าสู่อารามบ้าง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 ลดจีวรบนศีรษะลงบนบา่าไม่ต้องรีบร้อนเข้าสู่อารามตามปกติเมื่อเข้าสู่อารามก็พึงสังเกตว่าภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาทั้งหลายประชุมกันที่ไหนพึงไปที่ที่ภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาประชุมกันไม่ว่าจะเป็นโรงฉันมนดกหรือโคนไม้แล้วเก็บบาทไว้ณที่สมควรเก็บจีวรไว้ณที่สมควรจองอาสนะที่เหมาะสมแล้วนั่ง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 พึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วผึองไว้ณะที่สมควรถ้าภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสแกลพรรษาพึงอภิวาทถ้าเป็นพระนวกะิกาพึงให้ท่านอภิวาทถามถึงเสนาสนะว่าผมได้เสนาสนะแห่งไหนถามถึงเสนาสนะที่มีภิกษุหรือที่ไม่มีภิกษุอยู่ถามถึงโครจรคามและอโครจรคามถามถึงตระกูลที่เป็นเศขสมมติ ถามถึงวัชกุดีถามถึงน้ำดื่มและน้ำใช้ถามถึงไม้เท้าถามถึงกฎกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่าควรเข้าเวลาไหนควรออกเวลาไหนถ้าวิหารไม่มีภิกษุอยู่ก็พึงเคาะประตูรอสักครู่หนึ่งแล้วถอดลิ้มผลักบานประตูยืนอยู่ข้างนอกมองดูให้ทั่วถ้าวิหารรกมีเตียงวางซ้อนเตียงหรือต่างวางซ้อนต่าง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 ถ้าเป็นพื้นไม่ได้ทาพึงใช้น้ำประพรมแล้วเช็ดอย่าให้วิหารคลาคล่ำด้วยฝุ่นละอองพึงเก็บอยาเยื่อไปทิ้งหน้าที่สมควรพรมปูพื้นพึงผึงแดดชำระตบขนกลับปลูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงผึงแดดเช็ดขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงต่งพึงผึงแดดชำระปัดยกยางระมัดระวังไม่ให้ครุด ไม่กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิมฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึงพึงแดดชำระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึ ง, พ, งพึงแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิมพึงเกลียบบาทและจีวรเมื่อจะเกลียบบาทพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ตัง จึงเก็บบาทไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบ ร, ราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาขนนกไว้ในจึงเก็บจีวรถ้าลมเจือฝุ่นละอองพัดมาทางที่ตะวันออกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออกถ้าพัดมาทางที่ตะวันตกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก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 ถ้าหม้อชำระไม่มีน้ำพึงตักน้ำใส่หม้อชำระภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดของภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายโดยที่ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายจะต้องประพฤติ ช, ชอบ 2. อ, อาวาสิกกวัตตกถา ว่าด้วยวัดปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในอาวาสสมัยนั้นภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสเห็นภิกษุอคันตุกะทั้งหลายแล้วไม่ปูอาสนะไม่ตั้งน้ําล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไม่ลุกรับบาตรและจีวรไม่นําน้ําเดือมาต้อนรับไม่นําน้ําใช้มาต้อนรับไม่ไว่ายภิกษุอคันตุกะผู้แก่พรรษากว่าไม่จัดเสนาสนะให้ บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสทั้งหลายเห็นภิกษุอคันตุกะทั้งหลายแล้วไม่ปูอาสนะไม่ตั้งน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไม่ลุกรับบาทและจีวรไม่นำน้ำเดือมมาต้อนรับไม่นำน้ำใช้มาต้อนรับไม่วาภิกษุอคันตุกะผู้แก่พรรษากว่าไม่จัดเสนาสนะให้เล่า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 ทรงแสดงธรรมยุกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวาสแก่ภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสทั้งหลายจะต้องประพฤติชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสเห็น <novo> ภิกษุอาคันตุ ก, กะผู้แก่พรรษากว่า <S <S พึงปูอาสนะตั้งน้ําล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า ลูกรับบาทและจีวอนนำน้ำดื่มมาต้อนรับนำน้ำใช้มาต้อนรับถ้าสามารถก็พึงเช็ดรองเท้าเมื่อจะเช็ดรองเท้าใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนแล้วใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลังพึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วพึงไว้ณที่สมควรภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสพึงอภิวาทภิกษุอคันตุกะผู้แก่พรนากว่าจัดเสนาสนะถวายว่าเสนาสนั่นถึงแก่ท่าน บอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่บอกโคจรคามและอโคจรคามบอกตระกูลที่เป็นเสขะสมมติบอกว่าจุกุดีบอกน้ำดื่มน้ำใช้บอกไม้เทา้าบอกกติกาสงที่ตั้งไว้ว่าพึ่งเข้าเวลานี้พึงออกเวลานี้ถ้าภิกษุอคันตุ ก, กะเป็นพระนวกะภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสพึงนั่งลงบอกว่า ท่านจงวางบาทที่นั่นวางจีวรที่นั่นนั่งบนอาสนะนี้พึงบอกน้ำดื่มพึงบอกน้ำใช้บอกผ้าเช็ดรองเท้าพึงให้ภิกษุอาคันตุกะที่เป็นพระนวกะให้อภิวาทบอกเสนาสนะว่าเสนาส น, นั่นถึงแก่ท่านบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่บอกโคจรขามและอโคจรขามบอกตระกูลที่เป็นเศรษมมุต บอกว่าจุกุดูดีบอกน้าดื่มบอกน้าใช้บอกไม้เทา้าบอกกติกาที่สงตั้งไว้ว่าพึ่งเข้าเวลานี้พึ่งออกเวลานี้ภิกษุทั้งหลายนี่คือวัดของภิกษุผู้อยู่ประจาในอาวาสทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสทั้งหลายต้องประพฤติชอบ ขมิกวัตตะกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติของภิกษุผู้ออกเดินทางสมัยนั้นภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางทั้งหลายไม่เก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินเปิดประตูนหน้าต่างทิ้งไว้ไม่บอกมอบหมายเสยนาสนะแล้วพากันจากไปเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินเสียหายไม่มีใครดูแลรักษาเสนาสนะ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 เราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางทั้งหลายต้องประพฤติ ช, ชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางพึงเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินปิดประตูนหน้าต่างบอกมอบหมายเสยนาสนะแล้วพากันจากไปถ้าไม่มีภิกษุพึงบอกมอบหมายแก่สามเณรถ้าไม่มีสามเณรพึงบอกมอบหมายแก่คนวัด ถ้าไม่มีคนวัดพึงบอกมอบหมายแกอุบาสกถ้าไม่มีภิกษุสา ม, มเณรคนวัดหรืออุบาสกพึงยกเตียงขึ้นวางไว้บนศิลาสี่แผ่นยกเตียงซ้อนเตียงยกตังซ้อนตังกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนแล้วเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินปิดประตูนหน้าต่างแล้วจึงพากันจากไปถ้าวิหารฝนรั่วถ้าสามารถก็ควรมุงหรือขนขวายว่า จมุงวิหารได้อย่างไรถ้าทําได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าทําไม่ได้พึงยกเตียงขึ้นวางไว้บนศิลาสี่แผ่นในที่ที่ฝนไม่รั่วยกเตียงซ้อนเตียงตั้งซ้อนตัง้งกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินปิดประตูนหน้าต่างแล้วจึงพากันจากไปถ้าวิหารฝนรั่วทุกแห่งถ้าสามารถก็พึงขนเครื่องเสนาสนะเข้าบ้าน หรือขนขวายว่าจะขนเครื่องเสนาสนะเข้าหมู่บ้านได้อย่างไรถ้าทำได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าทำไม่ได้พึงยกเตียงขึ้นวางไว้บนศิลาสี่แผ่นในที่แจ้งยกเตียงซ้อนเตียงต่างซ้อนต่างกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินแล้วใช้หญ้าหรือใบไม้คลุมพากันจากไปด้วยคิดว่าอย่างไรเสีย ส่วนของเตียงต่างคงจะเหลืออยู่บ้างภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดของภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางทั้งหลายต้องประพฤติ ช, ชอบ 4. อนุโมทนาวัตกถา ว่าด้วยวัดปฏิบัติในการอนุโมทนาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่กล่าวอนุโมทนาในโรงอาหารคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลธนาว่าชไหนพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรทั้งหลายจึงไม่กล่าวอนุโมทนาเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยิยงคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลธนาครั้งนั้นแหลภิกษุเหล่านั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเยาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุกล่าวอนุโมทนาในโรงอาหารต่อมาภิกษุเหล่านั้นได้สนทนากันดังนี้ว่าใครควรกล่าวอนุโมทนาในโรงอาหารแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเมืกระถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เทระกล่าวอนุโมทนาในโรงอาหารต่อมาสมาคมหนึ่งถวายสังฆพัฒนท่านพระสารีบุตรเป็นพระสังฆเทระภิกษุทั้งหลายคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้เทระกล่าวอนุโมทนาในโรงอาหาร จึงปล่อยให้ท่านพระสารีบุตรอยู่รูปเดียวแล้วพากันจากไปลําดับนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวสมโมธนียกถาแก่คนเหล่านั้นแล้วตามไปทีหลังเพียงรูปเดียวพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านพระสารีบุตรกำลังเดินมาแต่ไกลรูปเดียวครั้นแล้วรับสั่งถามดังนี้ว่าสารีบุตรอาหารคงมีมากกระมังท่านพระสารีบุตรกล่าบทูลว่า พระพุทธเจ้าข่าอาหารมีมากจริงแต่ภิกษุทั้งหลายปล่อยข้าพระพุทธเจ้าไว้ผู้เดียวแล้วพากันกลับลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พระเทรานุเถระ4ถึงห้ารูปรออยู่ในโรงฉันต่อมาภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจาระอยู่ในโรงฉัน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 ข้วัตถกถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในโรงฉันสมัยนั้นผู้พิกษุชพระคีนุ่งไม่เรียบร้อยห่มไม่เรียบร้อ ย, ม ไ, ม ย, อยไม่มีมารยาไปโรงฉันเดินแซงไปข้างหน้าพิกษุผู้เทระทั้งหลายบ้างนั่งเบียดภิกษุผู้เทระทั้งหลายบ้างกีดกันอาสนภิกษุนวากะทั้งหลายบ้างนั่งทับสังฆาติในละแวกบ้านบ้าง บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพทนาว่าจะไหนพวกภิกษุชาภพะัคีนุ่งไม่เรียบร้อยห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทไปโรงฉันเดินแสงไปข้างหน้าภิกษุผู้เถระทั้งหลายบ้างนั่งเบียดภิกษุผู้เถระทั้งหลายบ้างกีการอาสนะภิกษุนวกะทั้งหลายบ้างนั่งทับสังฆาติในละแวกบ้านบ้างเล่าครั้งนั้นแหละ ภิกษุเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าผู้ภิกษุชาวพาคัคคีนุ่งไม่เรียบร้อยหมไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทไปโรงฉันเดินแซงไปข้างหน้าภิกษุผู้เถระทั้งหลายบ้างนั่งเบียดภิกษุผู้เถระทั้งหลายบ้างกี่คัรอาสนะภิกษุนวิกะทั้งหลายบ้าง นังทับสังคาติในระแวกบ้านบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิครั้นทรงตําหนิแล้วทรงแสดงธรรมมิปถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดในโรงฉันแก่ภิกษุทั้งหลายโดยที่ภิกษุทั้งหลายจะต้องประพฤติชอบในโรงฉันภิกษุทั้งหลาย ถ้าพระตุเทศบอกเวลาในอารามภิกษุพึงนุ่งปิดมณฑลสามให้เรียบร้อยค่าประกดเอวห่ผมผ้าสังฆาติที่พับซ้อนกันไว้กลัดลูกดุมล้างบาทแล้วถือไปไม่ต้องรีบร้อนเข้าหมู่บ้านไม่พึงเดินแซงไปข้างหน้าภิกษุผู้เทระทั้งหลายพึงปกปิดกายให้ดีไปในละแวก บ, บ้านพึงสำรวมดีไปในละแวก บ, บ้านพึงทอดจักสุลงไปในละแวก บ, บ้าน ไม่พึงเวกผ้าไปในละแวกบ้านไม่พึงหัวเราะดังไปในละแวกบ้านพึงพูดเสียงเบาไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินโครงกายไปในละแวกบ้านไม่พึงแกว่งแขนไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินโครงศีรษะไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินเท้าสะเอลไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินกระยงไปในละแวกบ้าน พึงปกปิดกายให้ดีนั่งในละแวกบ้านพึงสำรวมดีนั่งในละแวกบ้านพึงทอดจากสุลงนั่งในละแวกบ้านไม่พึงนั่งเวกผ้าในละแวกบ้านไม่พึงนั่งหัวเราะดังในละแวกบ้านพึงนั่งพูดเสียงเบาในละแวกบ้านไม่พึงนั่งคลงกายในละแวกบ้านไม่พึงนั่งแกว่งแขนในละแวกบ้านไม่พึงนั่งคลงศีรษะในละแวกบ้านไม่พึงนั่งเท้าสะเอวในละแวกบ้าน ไม่พึงนั่งคลุมศรีรษะในะแวกบ้านไม่พึงนั่งรักเข่าในโแวกบ้านไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เทระทั้งหลายไม่พึงกีดกันอาสนะภิกษุนวกระทั้งหลายไม่พึงนั่งทับสังคาติเมื่อเขาถวายน้ำพึงใช้มือทั้งสองประคองบาทรับน้ำพึงถือบาทล้างอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดถ้ามีกระโถนพึงเทน้ำลงกระโถนอย่างระมัดระวังด้วยคิดว่า กระโจนอย่าเลอะน้ำภิกษุทั้งหลายที่อยู่ใกล้อย่าถูกน้ำกระเซ็นสังฆาติอย่าถูกน้ำถ้าไม่มีกระโถนพึงเทน้ำลงบนพื้นดินอย่างระมัดระวังด้วยคิดว่าภิกษุทั้งหลายที่อยู่ใกล้อย่าถูกน้ำกระเซ็นสังฆาติอย่าถูกน้ำเมื่อเขาถวายเข้าสุกพึงใช้มือทั้งสองประคองบาทรับเข้าสุกเว้นที่ว่างไว้สําหรับแกง ถ้ามีเนยใสน้ำมันหรือแกงอ่อมภิกษุผู้เทระพึงบอกว่าท่านจงจัดถวายภิกษุเท่ากันทุกรูปพึงรับบิณฑบาตโดยเคารพพึงให้ความสําคัญในบาตรขณะรับบิณฑบาตพึงรับบิณฑบาตพอเหมาะกับแกงพึงรับบิณฑบาตเสมอขอบปากบาตรภิกษุผู้เทระไม่พึงฉันก่อนจนกว่าเข้าสุขจะทั่วถึงภิกษุทุกรูปพึงฉันบิณฑบาตโดยเคารพ พึงให้ความสําคัญในบาตขณะฉันบินทบาตพึงฉันบินทบาตไปตามลําดับพึงฉันบินทบาตพอเหมาะกับแกงไม่พึงฉันบินทบาตเขายุ่มลงแต่ยอดไม่พึงให้เข้าสุกกลบแกงหรือกับข้าวเพราะอยากได้มากไม่เป็นไข้ไม่พึงออกปากขอแกงหรือเข้าสุกมาฉันส่วนตัวไม่พึงมุ่งตําหนิมองดูบาตของพิกษุเหล่าอื่นไม่พึงทําคํำข้าวให้ใหญ่เกิน พึงทำคาข้าวให้กลมกล่อมไม่พึงอ้าปากรอคําข้าวที่ยังไม่ถึงปากขณะกําลังฉันไม่พึงสอดมือทั้งหมดเข้าในปากขณะที่ในปากมีคําข้าวไม่พึงพูดคุยไม่พึงฉันโยนคาข้าวไม่พึงฉันกัดคําข้าวไม่พึงฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุยไม่พึงฉันสลัดมือไม่พึงฉันโปรยเมล็ดข้าวไม่พึงฉันแลบลิ้นไม่พึงฉันทาเสียงดังจับจับ ไม่พึงฉันทำเสียงดังซูดุดไม่พึงฉันเลียมือไม่พึงฉันขอดบาดไม่พึงฉันเลียริมฝีปากไม่พึงจับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเปื้อนอาหารภิกสุพูเทระไม่พึงรับน้ำก่อนจนกว่าภิกสุทั้งหมดฉันเสร็จเมื่อเขาถวายน้ำพึงใช้มือทั้งสองประคองบาทรับน้ำพึงถือล้างอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูด ถ้ามีกระโถนพึงเทน้ำลงกระโถนอย่างระมัดระวังด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลอะน้ำภิกษุทั้งหลายที่อยู่ใกล้อย่าถูกน้ำกระเซ็นสังฆาติอย่าถูกน้ำถ้าไม่มีกระโถนพึงเทน้ำลงบนพื้นดินอย่างระมัดระวังด้วยคิดว่าภิกษุทั้งหลายที่อยู่ใกล้อย่าถูกน้ำกระเซ็นสังฆาติอย่าถูกน้ำไม่พึงเทน้ำล้างบาศมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน เมื่อจะกลับภิกษุนวกระทั้งหลายพึงกลับก่อนภิกษุผู้เทระทั้งหลายกลับทีหลังพึงปกปิดกายให้ดีไปในละแวกบ้านพึงสำรวมดีไปในละแวกบ้านพึงทอดจากสุลงไปในละแวกบ้านไม่พึงเวกผ้าไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินหัวเราะดังไปในละแวกบ้านพึงพูดเสียงเบาไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินโครงกายไปในละแวกบ้าน ไม่พึงแกว่งแขนไปในละแวะกบ้านไม่พึงเดินโครงศีรษะไปในละแวะกบ้านไม่พึงเดินเท้าสเอวไปในละแวะกบ้านไม่พึงเดินคลุมศีรษะไปในละแวะกบ้าน <muitos inside> ไม่พึงเดินกระยงไปในละแวะกบ้านพิกษุทั้งหลายนี <complaining> ้คือวัดในโรงฉันโดยที่พิกษุทั้งหลายพึงประพฤติชอบในโรงฉันปฐมพานวาระจบ ทินทจารกวัตตกขาว่าด้วยวัดปฏิบัติของภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทสมัยนั้นภิกษุผู้เที่ยวบินทบาททั้งหลายนุ่งไม่เรียบร้อยห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทเที่ยวบินทบาทไม่สังเกตเข้าบ้านบ้างไม่สังเกตออกไปบ้างรีบร้อนเข้าไปบ้างรีบร้อนออกไปบ้างยืนไกลเกินไปบ้างยืนใกล้เกินไปบ้างยืน น, น, ายนานเกินไปบ้าง กลับเร็วเกินไปบ้างภิกษุผู้เที่ยวบินธบาเป็นวัดรูปหนึ่งไม่ทันสังเกตเข้าไปบ้านสำคัญว่าประตูบ้านเข้าไปยังห้องหนึ่งซึ่งมีหญิงเปลือยกายนอนหงายอยู่พิกษุนนั้นได้เห็นหญิงเปลือยกายนอนหงายอยู่นั้นจึงรู้ว่านี้ไม่ใช่ประตูแต่เป็นห้องนอนจึงออกจากห้องนั้นไปสามีของหญิงนั้นเห็นนางเปลือยกายนอนหงายก็เข้าใจว่า ภิกษุรูปนี้ทำมิดีมิร้ายพัญญาของเราจึงจับภิกษุนั้นทำร้ายลำดับนั้นยญิงนั้นตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้นได้ถามสามีดังนี้ว่าพี่ท่านทำร้ายภิกษุทำไมเขาตอบว่าภิกษุนี้ทำมิดีมิร้ายเธอนางพูดว่าภิกษุนี้ไม่ได้ทำมิดีมิร้ายฉันภิกษุนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วให้ปล่อยภิกษุนั้นไป ภิกษุนั้นกลับไปอารามแล้วบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุอื่นทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยตําหนิประนามโพลทนาว่าชไนภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินฑบาตเป็นวัดจึงนุ่งไม่เรียบร้อยห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทเที่ยวบินทบาตเล่าไม่สังเกตเข้าบ้านบ้างไม่สังเกตออกไปบ้างรีบร้อนเข้าไปบ้างรีบร้อนออกไปบ้างยืนไกลเกินไปบ้างยืนใกล้เกินไปบ้าง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 ทรงแสดงธรรมยุกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้เที่ยวบินทบา ท, ทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้เที่ยวบินธบา ท, ทั้งหลายต้องประพฤติ ช, ชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เที่ยวบินธบาเป็นวัดคิดว่าเวลานี้เราจะเข้าบ้านพึงนุ่งปกปิดมณฑลสามให้เรียบร้อยฆ่าประกดเอวหวมผ้าสังฆาติที่พับซ้อนกันไว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 ไม่พึงเดินโครงศีรษะไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินเท้าเสเอลไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินกระย o n ไปในละแวกบ้านเมื่อเข้าบ้านก็พึงสังเกตว่าเราจะเข้าทางนี้ออกทางนี้ไม่พึงรีบร้อนเข้าไม่พึงรีบร้อนออกไปไม่พึงยืนไกลนักไม่พึงยืนใกล้นักไม่พึงยืนนานนักไม่พึงกลับเร็วนัก พึงยืนสังเกตว่าเขาประสงค์จะถวายอาหารหรือไม่ประสงค์จะถวายถ้าเขาหยุดทํางานหรือลุกจากที่นั่งหรือจับทัพพีหรือจับภาชนะหรือตั้งภาชนะไว้พึงยืนกำหนดว่าเขาประสงค์จะถวายหรือเมื่อเขาถวายอาหารพึงใช้มือข้างซ้ายแวกผ้าสังฆาติแล้วน้อมบาทเข้าไปด้วยมือข้างขวาใช้มือทั้งสองประคองบาทรับอาหาร ไม่มองดูหน้าผู้ถวายอาหารพึงสังเกตว่าเขาประสงค์จะถวายแกงหรือไม่ประสงค์จะถวายถ้าเขาจับทับ พ, พีหรือจับภาชนะหรือตั้งพาชนะไว้พึงยืนกำหนดว่าเขาประสงค์จะถวายหรือเมื่อเขาถวายแล้วใช้ผ้าสังฆาติคลุมบาดไม่ต้องรีบร้อนกลับอย่างสำรวมพึงปกปิดกายให้ดีไปในละแวกบ้านพึงสมรวมดีไปในละแวกบ้าน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 ผู้กลับจากบินทบาทมาถึงก่อนพึงปูอาสนะไว้ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าล้างภาชนะที่ใส่ของฉันตั้งไว้ตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ผู้กลับจากบินทบาทถึงทีหลังถ้าอาหารที่ฉันแล้วยังเหลืออยู่ถ้าต้องการก็พึงฉันไม่ต้องการก็เททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสดหรือไทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ พึงรื้อขนอาสนะเก็บน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าล้างภาชนะที่ใส่ของฉันเก็บไว้ตั้งน้ำดื่มน้ำใช้กวาดโรงฉันภิกษุผู้เห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าก็พึงจัดหาไปตั้งไว้ถ้าเป็นเรื่องสุดวิสัยก็กวากมือเรียกเพื่อนมาให้ช่วยกันจัดแต่ไม่พึงออกคำสั่งเพราะเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลาย นี่คือวัดของภิกษุผู้เที่ยวบินธบา ท, ทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้เที่ยวบินธบา ท, ทั้งหลายต้องประพฤติชอบ mm hmm. 7. อารันยิกะวัตตะกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่า สมัยนั้นภิกษุหลายรูปอยู่ในป่าไม่ตั้งน้ำดื่มไม่ตั้งน้ำใช้ไม่ติดไฟไม่เตรียมไม้สีไฟไม่รู้เรื่องนักษัตย์ไม่รู้จักทิศพวกโจรพากันไปที่นั่นแล้วถามภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายมีน้ำดื่มหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าโยมทั้งหลายน้ำดื่มไม่มีโจรทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายมีน้าใช้หรือ ภิกษุทั้งหลายตอบว่าโยมทั้งหลายน้ำใช้ก็ไม่มีโจรทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายมีไฟหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าโยมทั้งหลายไฟก็ไม่มีโจรทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายมีไม้สีไฟหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าโยมทั้งหลายไม้สีไฟก็ไม่มีโจรทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายวันนี้เป็นฤกษ์อะไรภิกษุทั้งหลายตอบว่า โยมทั้งหลายพวกอาตมาไม่ทราบโจรทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายนิทิดอะไรภิกษุทั้งหลายตอบว่าโยมทั้งหลายพวกอาตมาไม่ทราบลำดับนั้นโจรเหล่านั้นคิดว่าคนพวกนี้ไม่มีน้ำดื่มไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟไม่มีไม้สีไฟไม่รู้นั ก, กษัตย์ไม่รู้ทิศคนพวกนี้น่าจะเป็นโจรคนพวกนี้ไม่ใช่พิษุ จึงทำร้ายแล้วจากไปต่อมาภิกษุเหล่านั้นได้บอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติว่าแก่ภิกษุผู้อยู่ป่าทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้อยู่ป่าทั้งหลายต้องประพฤติชอบ ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าควรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่สวมถุงบาคลองบาผ้าจีวรบนไหลสวมรองเท้าเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินปิดประตูนหน้าต่างแล้วลงจากเสนาสนะกำหนดว่าเวลานี้เราจะเข้าบ้านควรถอดรองเท้าเคาะอย่างระมัดระวังใส่ถุงคลองบานุ่งปกปิดมนทนสามให้เรียบร้อยข้าประกดเอว ผอมผ้าสังขารติที่พับซ้อนกันไว้กลัดลูกดุมล้างบาทแล้วถือเข้าบ้านอย่างสำรวมโดยไม่รีบร้อนพึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้านพึงสำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้านไม่พึงเดินกระโยงไปในละแวกบ้านเมื่อเข้าบ้านก็พึงกำหนดว่าเราจะเข้าทางนี้ออกทางนี้ไม่พึงรีบร้อนเข้าไปไม่พึงรีบร้อนออกไปไม่พึงยืนไกลนัก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 ใช้มือทั้งสองประคองบาทรับอาหารไม่มองหน้าผู้ถวายอาหารพึงสังเกตว่าเขาประสงค์จะถวายแกงหรือไม่ประสงค์จะถวายถ้าเขาจับทัพพีหรือจับภาชนะหรือตั้งภาชนะไว้พึงยืนกาหนดว่าเขาประสงค์จะถวายหรือเมื่อเขาถวายแล้วใช้ผ้าสังคาติคลุมบาทแล้วไม่ต้องรีบร้อนกลับอย่างสารวมพึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน ละถึงไม่พึงเดินกระโยงไปในละแวกบ้านออกจากหมู่บ้านแล้วสวมถุงบาทคล้องบาพับจีวรวางไว้บนศีรษะสวมรองเท้าเดินไปภิกษุผู้อยู่ป่าพึงตั้งน้ําดื่มพึงตั้งน้ําใช้พึงติดไฟพึงเตรียมไม้สีไฟไว้พึงเตรียมไม้เท้าพึงเรียนรู้เรื่องนักสัตว์ทุกประเภทหรือเรียนบางส่วนพึงเป็นผู้ฉลาดในทิศภิกษุทั้งหลาย นี้คือวัดของภิกษุผู้อยู่ป่าทั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้อยู่ปาทั้งหลายต้องประพฤติ ช, ชอบ